สัจจยมก 1. ปนติวานรับอุทเทศ 1. นสัจจะสคือหนึ่งทุกขสัจความจริงคือทุกของสมุทัยสัจความจริงคือเหตุให้เกิดทุกขามนิโรธาสัจความจริงคือความดับทุกข์ 4. มัคคสัจความจริงคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกขนึ่งปทโสธนวานอนุโลม สทุกขเป็นทุกขสัตย์ใช่ไหมทุกขสัตย์เป็นทุกใช่ไหมสมุทัยเป็นสมุททยสัตย์ใช่ไหมสมุทัยสัตย์เป็นสมุทัยใช่ไหมนิโรธเป็นนิโรธาสัตย์ใช่ไหมนิโรธาสัตย์เป็นนิโรธใช่ไหมมรุเป็นมรุขสัตย์ใช่ไหมมรุขสัตย์เป็นมรุใช่ไหมมีในข้อสิปัจจนีกะ สสภาวธรรมที่ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นทุกขสัตย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นทุกขสัตย์ไม่เป็นทุกขใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสมุทัยไม่เป็นสมุททยสัตย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสมุททยสัตย์ไม่เป็นสมุทัยใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นนิโรธไม่เป็นนิโรธาสัตย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นนิโรธาสัตย์ ไม่เป็นอิโรธใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นมรรคไม่เป็นมรรคขัสสัตใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นมรรคขัสสัตไม่เป็นมรรคใช่ไหมมีในข้อ11 2. เอ็สปทโสะนมูลจักรวาลอนุโลมสีทุกเป็นทุกขัสสัตใช่ไหมสัจจะเป็นสมุทัยสัต์ใช่ไหมทุกเป็นทุกขัสสัตใช่ไหมสัจจะเป็นอิโรธทัตสัตใช่ไหม ทุกเป็นทุกข iments, はいはいสัตว um. ์ใช่ไหมสัจจะเป็นมรรคสัตว์ใช่ไหมมีในข้อ12สองสมุทัยเป็นสมุทย interes, はいはいัยสัตว์ใช่ไหมสัจจะเป็นทุกขสัตว์ใช่ไหมสมุทัยเป็นสมุทย orders, はいはいัยสัตว์ใช่ไหมสัจจะเป็นนิโรธาสัตว์ใช่ไหมสมุทัยเป็นสมุทัยสัตว์ใช่ไหมสัจจะเป็นมรรคสัตว์ใช่ไหมมีในข้อ13นิโรธเป็นนิโรธาสัตว์ใช่ไหม สัจจะเป็นทุกขสั์ใช่ไหมนิโรธเป็นนิโรธาสั์ใช่ไหมสัจจะเป็นสมุทัยสั์ใช่ไหมนิโรธเป็นนิโรธาสั์ใช่ไหมสัจจะเป็นมรคสัต์ใช่ไหมมีในข้อ14มรคเป็นมรคสัจใช่ไหมสัจจะเป็นทุกขสัตย์ใช่ไหมมรคเป็นมรคสัจใช่ไหมสัจจะเป็นสมุทัยสั์ใช่ไหมมรคเป็นมรคสัต์ใช่ไหม สัจจะเป็นนิโรธาสัจใช่ไหมมีในข้อสิบห้จณิกะ 5. สภาวธรรมที่ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นทุกขสัจใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นสมุทัยสัจใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นทุกขสัจใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นนิโรธาสัจใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นทุกขสัจใช่ไหม สภาวธรรมที die, die uh ่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นมัคคสั die, easy, ์ใช่ไหมมีในข้อส6สภาวธรรมที่ไม่เป็นสมุทัยไม่เป็นสมุทัยสัจใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นทุขสัต์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสมุทัยไม่เป็นสมุทยสัต์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นนิโรธสั์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสมุทัย ไม่เป็นสมุทัยสัตว์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นมรคสัตว์ใช่ไหมมีในข้อ17สภาวธรรมที่ไม่เป็นนิโรธไม่เป็นนิโรธาสัตว์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นทุกขสัตว์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นนิโรธไม่เป็นนิโรธาสัตว์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นสมุทัยสัตว์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นนิโรธไม่เป็นนิโรธาสัตใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นมรคสัตใช่ไหมมีในข้อ18สภาวธรรมที่ไม่เป็นมรคไม่เป็นมรคสัตใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นทุกขสัตใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นมรคไม่เป็นมรคสัตใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นสมุทัยสัตใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นมรรคไม่เป็นมรรคสัตย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นนิโรธสัตย์ใช่ไหมมีในข้อ19บสสุทธสัจจวานอนุโลมหกทุกข์เป็นสัจจะใช่ไหมสัจจะเป็นทุกใช่ไหมสมุทัยเป็นสัจจะใช่ไหมสัจจะเป็นสมุทัยใช่ไหมนิโรธเป็นสัจจะใช่ไหมสัจจะเป็นนิโรธใช่ไหมมรรค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 สภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นนิโรธใช่ไหมสภาวธรรมที wrote, am, ่ไม่เป็นมรรคไม่เป็นสัจจะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นมรรคใช่ไหมมีในข้อ21 4. สุทธสัจจมูลจักรวาลอนุโลมแปทุกข์เป็นสัจจะใช่ไหมสัจจะเป็นสมุทัยใช่ไหมทุกเป็นสัจจะใช่ไหมสัจจะเป็นนิโรธใช่ไหม ทุกเป็นสัจจะใช่ไหมสัจจะเป็นมรรคใช่ไหมสมุทัยเป็นสัจจะใช่ไหมสัจจะเป็นทุกข์ใช่ไหมละสัจจะเป็นมรรคใช่ไหมนิโรธเป็นสัจจะใช่ไหมสัจจะเป็นทุกข์ใช่ไหมละสัจจะเป็นมรรคใช่ไหมมรรคเป็นสัจจะใช่ไหมสัจจะเป็นทุกข์ใช่ไหมมรรคเป็นสัจจะใช่ไหมสัจจะเป็นสมุทัยใช่ไหม มักเป็นสัจจะใช่ไหมสัจจะเป็นนิโรธใช่ไหมมีในข้อ22ปัจจณิกะ 9. สภาวธรรมที่ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นสัจจะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นสมุทัยใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นสัจจะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นอิโรธใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นสัจจะใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นมรรคใช่ไหมมีในข้อ23สภาวธรรมที่ไม่เป็นสมุทัยไม่เป็นสัจจะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นทุกข์ใช่ไหมละสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นมรรคใช่ไหมมีในข้อ24สภาวธรรมที่ไม่เป็นอิโรธไม่เป็นสัจจะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะ ไม่เป็นทุก์ใช่ไหมละสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นมรช่ไหมมีในข้อ25สภาวธรรมที่ไม่เป็นมรไม่เป็นสัจจะช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นทุกข์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นมรไม่เป็นสัจจะช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นสมุทัยช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นมรไม่เป็นสัจจะช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นศัจจะไม่เป็นนิโรธใช่ไหมมีในข้อ26ปณิติวาราอุทเทศจบ 1. ปณิติวารนิเทศหนึ่งปทัสโสธนวานอนุโลม 10. อนุโลมปุจฉาทุกเป็นทุกขสัตว์ใช่ไหมวิสัชนาใช่ ปฏิโลมปุจฉาทุกขสัตเป็นทุกใช่ไหมวิจัชนาเว้นกายิกัตุ์และเจตสิกกัตุคแล้วทุกขสัตที่เหลือเป็นทุกขสัตแต่ไม่เป็นทุกข์กายิกัตุคและเจตสิกทุกขเป็นทุกข์ก็ใช่เป็นทุกขสัตก็ใช่อนุโลมปุตชาสมุทัยเป็นสมุทยสัตใช่ไหมวิจัชนา เว้นสมุทรยศสัตว์แล้วสมุทรไทยที่เหลือเป็นสมุทรไทยแต่ไม่เป็นสมุทรยศสัตว์สมุทรยศสัตว์เป็นสมุทรไทยก็ใช่เป็นสมุทรยศสัตว์ก็ใช่ปฏิโลมปุชชาสมุทรยศสัตว์เป็นสมุทรไทยใช่ไหมวิตัชนาใช่อนุโลมปุชชานิโรธเป็นนิโรธสัตว์ใช่ไหมวิตัช น, ะชนชานววชเว้นนิโรธสัตว์ตนะววตแล้ว นิโรธที่เหลือเป็นนิโรธแต่ไม่เป็นนิโรธทศัตย์นิโรธทศัตย์เป็นนิโรธก็ใช่เป็นนิโรธทศัตย์ก็ใช่ปฏิโรมปุจชานิโรธทศัตย์เป็นนิโรธใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุจชามักเป็นมัคคสัตย์ใช่ไหมวิจัดชนาเว้นมัคคสัตย์แล้วมักที่เหลือเป็นมักแต่ไม่เป็นม <tr GI ua> ัคคสัตย์มัคคสัตย์เป็นมักก็ใช่เป็นมัคคสัตย์ก็ใช่ ปฏิโลมปุจชามักขสัตเป็นมักใช่ไหมวิจัชนาใช่ปัจจณิกะ11อนุโลมปุจชาสภาวธรรมที่ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นทุกขสัตย์ใช่ไหมวิจัชนาเว้นกายิ ก, กทุกข์และเจตสิกทุกแล้วทุกขสัตย์ที่เหลือไม่เป็นทุกขแต่เป็นทุกขสัตย์เว้นทุกและ ทุกขัสส์แล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นทุกข์ก็ใช่ไม่เป็นทุกขัสส์ก็ใช่ปฏิโรมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นทุกขัสส์ไม่เป็นทุกข์ใช่ไหมวิสัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นสมุท un ัยไม่เป <quel> ็นสมุทัยสัตย์ใ <toc> ช <ado> to ่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโรมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นสมุทยสัตย์ไม่เป็นสมุทัยใช่ไหม พิจารณาเว้นสมุทยศสัตว์แล้วสมุทรไทยที่เหลือไม่เป็นสมุทรยศแต่เป็นตมุทไทยเว้นสมุทไทยและสมุทรยศสัตว์แล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นสมุทไทยก็ใช่ไม่เป็นตมุทยศสัตว์ก็ใช่อนุโลมปุชชาสภาวธรรมที่ไม่เป็นนิโรธไม่เป็นนิโรธาสัตย์ใช่ไหมพิจัชนาใช่ปฏิโลมปุชชาสภาวธรรมที่ไม่เป็นนิโรธาสัต์ ไม่เป็นนิโรธใช่ไหมวิจัชนาเว้นนิโรธาสัตแล้วนิโรธที่เหลือไม่เป็นนิโรธาสัตแต่เป็นนิโรธเว้นนิโรธและนิโรธาสัตแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นนิโรธก็ใช่ไม่เป็นนิโรธาสัตก็ใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นมรตไม่เป็นมรธคสัตใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉา สภาวธรรมที่ไม่เป็นมรคมนมรคสัตนะ ว, ว์ไม่เป็นมรช่ไหมพิจาชนาเว้นมรรคสัตว์แล้วมรที่เหลือไม่เป็นมรรคสัตว์แต่เป็นมรเว้นมรและมรรคสัตว์แล้วสภาธรรมที่เหลือไม่เป็นมรก็ใช่ไม่เป็นมรรคสัตว์ก็ใช่สองปัทโธธนามูลจั ก, กรวาลอนุโลมสิสองอนุโลมปุจฉาทุกข์เป็นทุกขสัตยนะ์ใช่ไหมวิจาชนาใช่ ปฏิรปุขฉาสัจจะเป็นสมุทัยสัตว์ใช่ไหมวิจัชนาสมุทัยสัตว์เป็นสัจจะก็ใช่เป็นสมุทัยสัตว์ก็ใช่สัจจะที่เหลือเป็นสัจจะแต่ไม่เป็นสมุทัยสัตว์อนุรมปุจฉาทุกข์เป็นทุกขสัตย์ใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิรมุจฉาสัจจะเป็นนิโรธาสัตว์ใช่ไหมละปฏิรมุจฉาสัจจะเป็นมรคสัตย์ใช่ไหม วิจารณามัคคสัตเป็นสัจจะก็ใช่เป็นมัคคสัตก็ใช่สัจจะที่เหลือเป็นสัจจะแต่ไม่เป็นมัคคสัตสิบสามอนุโลมปุจฉาสมุทัยเป็นสมุทัยสัตใช่ไหมวิจัชนาเว้นสมุทัยสัตแล้วสมุทัยที่เหลือเป็นสมุทัยแต่ไม่เป็นสมุทัยสัตสมุทัยสัตเป็นสมุทัยก็ใช่เป็นสมุทัยสัตก็ใช่ปฏิโลมปุจฉา สัจจะเป็นทุกขสั์ใช่ไหมละปฏิโลมปุจฉาสัจจะเป็นนิโรธททัตย์ใช่ไหมละปฏิโลมปุจฉาสัจจะเป็นมรคสั์ใช่ไหมวิจัชนามรคสัต์เป็นสัจจะก็ใช่เป็นมรคสั์ก็ใช่สัจจะที่เหลือเป็นสัจจะแต่ไม่เป็นมรคสัตริ 14. อนุโลมปุจฉานิโรธเป็นนิโรทัตสัใช่ไหม วิตนะัชนาเว้นิโรทัสสัตแล้วนิโรธที่เหลือเป็นนิโรธแต่ไม่เป็นนิโรศัสสัตนิโรศัสสัตเป็นนิโรธก็ใช่เป็นนิโรศัสสัตก็ใช่ปฏิโรมปุชชาสัจจะเป็นทุกขสัต์ใช่ไหมและปฏิโรมปุชชาสัจจะเป็นสมุทัยสัต์ใช่ไหมและปฏิโมปุชชาสัจจะเป็นมรรคสัตใช่ไหมวิจัชนา มักขสัตเป็นสัจจะก็ใช่เป็นมักขสัตก็ใช่สัจจะที่เหลือเป็นสัจจะแต่ไม่เป็นมักคสัตสิบหอนุโลมปุชฌามักเป็นมักขสัตใช่ไหมวิจัชนาเว้นมักขสัตแล้วมักที่เหลือเป็นมักแต่ไม่เป็นมักขสัตมักขสัตเป็นมักก็ใช่เป็นมักขสัตก็ใช่ปฏิโลมปุชฌาสัจจะเป็นทุกขสัตใช่ไหมละ ปฏิโลมปุตฉาสัจจะเป็นสมุทยสัตย์ใช่ไหมละปฏิโลมปุจฉาสัจจะเป็นนิโรธาสัตย์ใช่ไหมวิจชนานิโรธาสัตย์เป็นสัจจะก็ใช่เป็นนิโรธาสัตย์ก็ใช่สัจจะที่เหลือเป็นสัจจะแต่ไม่เป็นนิโรธาสัตย์ปัจจณีกะสิบอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์ัดสัตย์ใช่ไหม วิจัชนาเว้นกายิกทุกขและเจตสิกทุกแล้วทุกขัสสะที่เหลือไม่เป็นทุกขแต่เป็นทุกขัสสะเว้นทุกขและทุกขัสสะแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นทุกขก็ใช่ไม่เป็นทุกขัสสะก็ใช่ปฏิโลมปุชชาสภาวธรรมที่ไม่เป็นตจจะไม่เป็นสมุทยสัจใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุชชาสภาวธรรมที่ไม่เป็นทุก ไม่เป็นทุกขสัตย์ใช่ไหมวิจัชนาเว้นกายิกทุกและเจตสิกทุกแล้วทุกขสัตย์ที่เหลือไม่เป็นทุกขแต่เป็นทุกขสัตย์เว้นทุกขและทุกขสัตย์แล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นทุกก็ใช่ไม่เป็นทุกขสัตย์ก็ใช่ปฏิโรมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นนิโรทสัตย์ใช่ไหมละปฏิโรมปุจฉา สภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นมัคคสั์ใช่ไหมวิจัดชนาใช่ 17. อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นตมุทัยไม่เป็นตมุทิยะสั์ใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุชชาสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นทุกขสั์ใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุชชา สภาวธรรมที่ไม่เป็นสมุทัยไม่เป็นสมุทัยสัตว์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโรมปุชชาสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นนิโรธาสัตว์ใช่ไหมละปฏิโรมปุชชาสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นมัคคสัตว์ใช่ไหมวิจัชนาใช่18สภาวธรรมที่ไม่เป็นนิโรธไม่เป็นนิโรธาสัตว์ใช่ไหม วิจัชนาะใช่ปฏิโรมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นสจัจจะไม่เป็นทุกขสัตย์ใช่ไหมละปฏิโรมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นสมุทัยสัต์ใช่ไหมละปฏิโรมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นมรคสัตย์ใช่ไหมวิจัชนาะใช่ 19. อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นมรค ไม่เป็นมัคคสัตย์ใช่ไหมพิจัชนาะใช่ปฏิโรมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นทุกขสัตย์ใช่ไหมพิจัชนาะใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นมัคไม่เป็นมัคคสัตย์ใช่ไหมพิจัชนาใช่ปฏิโรมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นสมุตทยสัตยนะ์ใช่ไหมละ ปฏิโลมปุจฉัลสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นนิโรธาสัตย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ 3. สุทธสัจจวาลอนุโลมยี่อนุโลมปุจฉัลทุกขเป็นสัจจะใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉัลสัจจะเป็นทุก์ใช่ไหมวิจัชนาทุกขัสสัตเป็นสัจจะก็ใช่เป็นทุกขัสสัตก็ใช่ สัจจะที่เหลือเป็นสัจจะแต่ไม่เป็นทุกขสัตว์อนุโลมปุจฉาสมุทัยเป็นสัจจะใช่ไหมวิจัตชนาใช่ละอนุโลมปุจฉานิโรธเป็นสัจจะใช่ไหมวิจัตชนาใช่ละอนุโลมปุจฉามักเป็นสัจจะใช่ไหมวิจัตชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสัจจะเป็นมักใช่ไหม วิจัชนามัคคสัตเป็นสัจจาก็ใช่เป็นมัคคสัตก็ใช่สัจจที่เหลือเป็นสัจจแต่ไม่เป็นมัคคสัตปัจจณิกะ21อนุโลมปุตชาสภาวธรรมที่ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นสัจจใช่ไหมวิจัชนาเว้นทุกข์แล้วสัจจที่เหลือไม่เป็นทุกข์แต่เป็นสัจจะ เว้นทุกและสัจจะแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นทุกก็ใช่ไม่เป็นสัจจะก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นทุกใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นสมุทยไม่เป็นสัจจะใช่ไหมวิจัชนาเว้นสมุ ท, มทาายแล้วละอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นนิโรธ ไม่เป็นสัจจะใช่ไหมวิจัชนาเว้นนิโรธแล้วพระอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นมรรคไม่เป็นสัจจะใช่ไหมวิจัชนาเว้นมรรคแล้วสัจจะที่เหลือไม่เป็นมรรคแต่เป็นสัจจะเว้นมรรคและสัจจะแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นมรรคก็ใช่ไม่เป็นสัจจะก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นมรรคใช่ไหม วิจัชนาใช่สี 4. สุทธสัจจมู ล, ลจักรวาลอนุโลมย2่อนุโลมปุจฉาทุกข์เป็นสัจจะใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสัจจะเป็นสมุทัยใช่ไหมวิจัชนาสมุทัยสัตเป็นสัจจะก็ใช่เป็นสมุทัยสัตก็ใช่สัจจะที่เหลือเป็นสัจจะแต่ไม่เป็นสมุทัยสัต อนุโลมปุจฉลาทุกข์เป็นสัจจะใช่ไหมพิจารนาใช่ปฏิโลมปุจฉลาสัจจะเป็นนิโรอดใช่ไหมละปฏิโลมปุจชลาสัจจะเป็นมักใช่ไหมวิจารนามักขสัต์เป็นสัจจะก็ใช่เป็นมักขสัต์ก็ใช่สัจจะที่เหลือเป็นสัจจะแต่ไม่เป็นมักขสัต์อนุโลมปุจฉลาสมุทัยเป็นสัจจะใช่ไหม วิจัชนาะใช่ละปฏิโลมปุจฉานิโรธเป็นสจัจจะใช่ไหมวิจัชนาะใช่ละอนุโลมปุจฉามักเป็นสจัจจะใช่ไหมวิจัชนาะใช่ปฏิโลมปุจฉาสัจจะเป็นทุกข์ใช่ไหมละปฏิโลมปุจฉาสัจจะเป็นตะมุทัยใช่ไหมละ ปฏิโรมปุจตชัตจะเป็นนิโรธใช่ไหมวิจัดชนานิโรธทศัตเป็นสัจจะก็ใช่เป็นนิโรธทศั ต, นะต ก, ก็ใช่นนใชสัจจะที่เหลือเป็นสัจจะแต่ไม่เป็น น, ปจจ น, นิโรธทศัตปัจญิกะ23อนุโลมปุจฉัตสภาวธรรมที่ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นสัจจะใช่ไหมวิจัดชนาะเว้นทุกข์แล้วสัจจะที่เหลือไม่เป็นทุกข์แต่เป็นสัจจะ เว้นทุก์และสัจจะแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นทุก์ก็ใช่ไม่เป็นสจัจจะก็ใช่ปฏิโรมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นสมุทัยใช่ไหมวิจ PR ัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นทุก์ไม่เป็นสัจจะใช่ไหมวิจัดชนาเว้นทุกแล้วสัจจะที่เหลือไม่เป็นทุกแต่เป็นสัจจะ เว้นทุกและสัจจะแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นทุกก็ใช่ไม่เป็นสัจจะก็ใช่ปฏิโรมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นนิโรธใช่ไหมและปฏิโรมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นมรชัยใช่ไหมวิจัชนาใช่ 24. อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นตมุทย ไม่เป็นสัจจะใช่ไหมวิจัดชนาเว้นสมุทัยแล้วสัจจะที่เหลือไม่เป็นสมุทยัยแต่เป็นสัจจะเว้นสมุทัยและสัจจะแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นสมุทัยก็ใช่ไม่เป็นสัจจะก็ใช่ละยี่ห้าอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอิโรธไม่เป็นสัจจะใช่ไหมวิจัดชนาะ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 สภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นนิโรธใช่ไหมพิจัชนาใช่ปันติวารนิเทศจบ